เหมือนจะบทหัวใจให้เป็นแผลตอนที่8หน้าหัวข้อ 4.8.3 อ้างความจำเป็นระดับความจำเป็นมีต่างกันในทุกผู้คน ผู้อ่อนแอมากก็จะยิ่งอ้างความจำเป็นมากกว่าผู้ที่แข็งแกร่งถ้ายิ่งอ้างคำว่าจำเป็นมาใช้ต่อไปอะไรๆก็ดูจะจำเป็นเสียทุกทีแท้จริงที่สุดแห่งที่สุดนั่นแหละจึงควรจะใช้คำว่าจำเป็นตัวอย่างเช่นมันจนครับถึงต้องปล้นเขากินเออจำเป็นหรือเปล่าจนแล้วถึงต้องปล้นเขากินนี่จาเป็นหรือเปล่า อะไรเนะี่ยเออเป็นขอทานก็ได้นะเออทำไมต้องป่นอ๋อเสียสักสี <c oughs> เลยต้องป้นแล้วป้นที่ไม่เสียสักสีนะเออนั่นมันเหมือนกับมีอันหนึ่งที่คนชอบอ้างอยู่เสมอเสมอเอ่อโดยเฉพาะพวกผู้หญิง เพืผู้หญิงโสภณีเพืผู้หญิงหากินเนี่ยนะที่ชอบมักอ้างว่าจนก็เลยต้องมีอาชีพเป็นโสเภณีใช่ไหมมันจําเป็นหรือเปล่าจนแล้วเลยต้องไปมีอาชีพเป็นโสเภณีนั่นแหละสิเพราะคำว่าจําเป็นนี่มันต้องแยกแยะให้ดีนะว่ายังไงก็แน่นถึงจะใช้คําว่าจําเป็น อาจมาว่ามันน่าจะหมายถึงอาการที่เราพยายามทําไอ้นู่นทำไอ้นีทน่ทําไอ้นั่นทําอะไรต่ออะไรจนไม่มีปัญญาแล้วจริงๆหมดหนทางแล้วจริงๆมันเหลือทางนี้ทางเดียวเท่านั้นนะั้นไม่มีทางอื่นแต่นี้มันไม่ใช่เอเซว่ามังโคนอันนี้มันเป็นทางที่เรียกว่าโอ้โหถึงเลวก็ต้องทําหละมันมันเหลือทางนี้ทางเดียวแอนอาจจะมาว่ามัน จะจริงหรอเนี่ยเนี่ยมันจนครับผมถึงต้องป้นเขาหรือมันจนค่ะฉันถึงต้องเป็นโสเภณีมันไม่หรอกนะจริงๆแล้ววุจธาธิปตร า, าไว้อะ่ะบอกว่าความจนไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้คนเราต้องต้องเลวหรือว่าต้องไปกลายปเป็นโจรหรือว่าต้องกลายไปเป็นผู้หญิงหา ก, กินอะไรต่างๆนะแต่กิเลสต่างหากแหะกิเลสของคนเราต่างหากที่ทาให้ไปทาเลว ไปมีอาชีพอะไรต่างๆที่มันมันผิดศีลธรรมหรือว่าที่ไม่ดีต่างๆโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความโลภกิเลส ข, ของความโลภนี่แหละตัวร้ายที่สุดในเรื่องของความจนนี่นะเพราะว่าบางทีเนี่ยไปทำอย่างอื่นก็ทำได้หรือเอาง่ายๆนะแค่ถ้าให้มีชีวิตอยู่ไ ป, ไปทำงานแลกเงินเขากินเน่เอาเ อ, าอาแลกอาหารเขากินน่ ไม่ต้องเงินทองก็มีชีวิตอยู่ได้แล้วใช่ไหมเขาจะยิ่งชอบใจสิเขาจะเลี้ยงมาอย่างดีโอโหไม่เอาเงินเขาเลยอเอาแต่แค่ที่พักที่หลับที่นอนโหเขายิ่งชอบใจใช่ไหมถ้าคนไปทํางานให้เขาอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ถึงแบบบ้าจริงๆมันไม่จําเป็นหรอกนะแต่ตอนนี้เอาเราพูดระดับแบบโลกโลกคนลกโลกทั่วๆไปเพราะฉะนั้น ในที่นี้เนี่ยเขาพูดถึงว่าคนที่มีอินทรีย์พระอ่อนกับคนที่มีอินทรีย์พระแข็งนั่นเองนันคนที่มีความอ่อนแอเนี่ยนะจะมีความความจำเป็นที่ง่ายมากอะไรต่ออะไรเนี่ยจำเป็นง่ายมากเลยคนที่อ่อนแอแต่คนที่เข้มแข็งนี่ความจำเป็นต่างๆนี่โอ้โหกว่าจะถึงจำเป็นนี่เขายากทีเดียวแหละเพราะจะมีความอดทนสูงกว่า สําสหรับคนที่แข็งแรงหรือว่าคนที่แข็งแกรง่งจะมีความอดทนสูงซึ่งไม่ใช่ว่าเขาได้มาฟรีๆเขาก็ต้องประพฤติปฏิบัติเนะี่ยจนกระทั่งเรียกว่าเขาเลยมีจิตวิ ญ, ญญาณที่มันมันเข้มแข็งเพรา ะ, ะกว่าจะไปถึงคําว่าจําเป็นของคนที่เข้มแข็งนี่โอ้โหเขาคงทําอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะมากมายจนกระทั่งหมดหนทางจนกระทั่งอะไรต่ออะไรเขาถึงจะเออเอาละจําเป็นแล้ว นั่นแหละนี่คือความแตกต่างส่วนคนที่อ่อนแอนี่บางทีงานก็หนกักเหนื่อยคือแค่คิดแค่นี้แหละไม่ทำแล้วละ่ะหรือว่ายังไม่ทันทำก็เหนื่อยแล้วแค่คิดคิดจนเหนื่อยเพราะฉะนั้นพวกนี้จำเป็นง่ายเหลือเกินไอโน้ไอหนี้อะไรก็จำเป็นง่ายมากเพราะขีดความสามารถหรืออินสิพิร่าเนี่ยต่ำหรือว่าอ่อนเพราะขาดการฝึกฝนตนขาดขันติขาดความอดทน นะก็เลยทำให้อินทรีย์พระเนี่ยอ่อนอสวยอีกตัวอย่างหนึง่งก็ฉันไม่สวยก็ฉันไม่สวยนี่ยะถึงต้องแต่งหน้าจำเป็นเนาะจำเป็นสำหรับคนที่เป็นยังไงไม่ใช่จำเป็นสำหรับคนที่อยากสวยไม่ใช่ว่าไม่สวยนะคนไม่สวยเนี่ยเขาไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้แต่คนที่อยากสวยต่างหากอนะ่ะ ต้องแต่งหน้าขนาดบางคนสวยอยู่แล้วก็ยังต้องแต่งหน้าเลย อ, อีกตัวอย่างหนึ่งตอนนี้กําลังผ่อนรถกับผ่อนบ้านก็มันจําเป็นนี่ครับฮะมันจําเป็นไหมตอนนี้กําลังผ่อนรถกับผ่อนบ้านก็มันจําเป็นนี่ครับะอะไรนะ เขาหมายความว่ายังไงอ่ต้องผ่อนทั้งรถต้องผ่อนทั้งบ้านก็มันจําเป็นนี่ครับเพราะจริงๆนี่คือเขาต้องการรถเขาต้องการบ้านเข้าใจไหมวัน เ, เขาก็บอกว่ามันจําเป็นเพราะฉะนั้นก็เลยพูดง่ายว่าต้องซื้อบ้านต้องซื้อรถหรืออาจจะต้องซื้อตู้เย็นซื้อพัดลมซื้ออะไรต่างๆซื้อโทรทัศน์ซื้อทีวีอ TV, บอกว่ามันจําเป็นเนี่ยต้องต้องมีเอาไว้ ไม่มีไว้ไม่ได้หรอกนะชีวิตไม่ไม่มีความสุขเพราะมันจําเป็นเพราะมันก็จําเป็นสําหรับคนที่จมาบอกแล้วว่าว่ายังมีความปรารถนามีความโลภมีความอยากไอ้นอนไอ้นีนน่อะไรมากมายไก่กองก็จําเป็นจริงๆอะ่ะแต่มันเป็นความจําเป็นในจุดที่มันมันแย่มากมันต่ํามากนะมันไม่ใช่เป็นความจําเป็นที่ที่อะไรอะ่ะ จำเป็นอย่างจริงๆของของคนที่เขามีความอดหนธุนกั้นเนี่ยไม่เหมือนกั น, นจำเป็นกับจำนวนเหมือนกันได้ไงล่ะจำเป็นนี่มันหมายถึงว่ามันมันคือไม่ใช่จำนวนจีจำเป็นนี่มันหมายถึงว่าบางทีนี่เราเราไม่ใช่ว่าอะไรหมดหนทางหรือว่าอะไรแล้วน่ยนะ แต่เรามีความรู้สึกว่าจริงๆเราเราจะไม่เอาหรือเราจะไม่มีอย่างนั้นก็ได้แต่ว่ามันจำเป็นต้องใช้หรือว่ามันจำเป็นต้องมีเข้าใจไหมคือสิ่งที่เราจะต้องเอามาใช้ไม่รู้ลระจะเอื้อประโยชน์ในจุดไหนมุมไหนของเราก็แล้วแต่แต่ว่าเราต้องมีต้องใช้แต่จำ น, นนี่มันหมายถึงว่า อะไรอ่ะมันเหมือนกับเออมันเหมือนกับนั่นแหละสถานการณ์บังคับหรือว่ามันเลือกไม่ได้หรือว่าไม่มีทางเลือกเข้าใจไหมมันไม่มีทางเลือกมันจําเป็นต้องแบกรับมันก็ใช้คำว่าจําเป็นเหมือนกันมันจำเป็นต้องต้องแบกรับโดยที่ใจตัวเราเองเนี่ยบางทีมันมันไม่ได้ต้องการเข้าใจไหมมันไม่ไม่ต้องการไม่ปรารถนาแต่ว่ามันมันกลับต้องต้อง ต้องใช้ต้องมีแต่ไอ้จำเป็นนี่กลับเป็นสิ่งที่เราต้องการนะเข้าใจไหมจำเป็นนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการเราจะต้องใช้เราจะต้องมีอะไรอย่างนี้นี่อันนี้จำเป็นกลับเป็นสิ่งที่เราปรารถนาหรือสิ่งที่เราต้องการยิ่ยงมีมายิ่ยงได้มาเราก็พอใจอ่าเพราะว่ามันมันจำเป็นหรือแม้ว่าไม่ใช่ถึงกับาพอใจอะไรจนกระทั่ง อะไรอะ่ะยินดีจนอะไรมากมายนะแต่ไม่มีไม่ได้อะ่ะต้องต้องต้องต้องมีแล้วมันถึงจะอะไรอะ่ะงานถึงจะเดินหรือว่าสิ่งที่เราจะทําต่อไปมันถึงจะทําต่อไปได้ไไเป็นทั้งในแง่สาระหรือว่าไม่ใช่สาระก็ตามแต่มันค่อนข้างไปในเชิงที่เอื้อประโยชน์เราในทิศทางที่ที่อะไรอะ่ะ เราจะต้องมีอ่ะจะต้องมีโดยที่ก็มันขาดไม่ได้สิคือคือมัน ม, มันต้องมีโดยที่ว่าเราอะไรอ่ะยังหาคําที่มันจะไอ้นั่นไม่ได้แต่ว่าอาตมาว่าคงจะพอเข้าใจอ่ะที่จะมาพูดแบบนี้ <c oughs> คือคือรู้เลยว่าว่าว่าเราต้องใช้อ่ะเราต้องมีไอ้สิ่งดีแม้ว่าบางทีบางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม แต่คนนั้นรู้เลยว่าต้องมีต้องใช้เข้าใจไหมโดยที่เรียกว่าเมื่อต้องมีต้องใช้นี่คนนั้นค่อนไปในทางที่ไม่ได้ผลักไม่ได้ผลัก อ, อาจจะเฉยๆก็ตามหรือโน้มไปในทางที่ยินดีพอใจนะโน้มไปในสองลักษณะนี้แต่ไอ้จำนนนี่มันมันค่อนข้างไปในทางที่จริงๆเราไม่ปรารถนาเออมันโน้มไปในทางมุมลบอะ จิตเราค่อนข้างจะต้านโดยทั้งไปค่อนข้างที่จะไม่ดูเข้าใจไหมแต่ถ้าจําเป็นนี่มันจิตมันค่อนข้างมาในเชิงดูดแต่ส่วนจำนนเนี่ยจิตมันค่อนข้างไปนในเชิงผลจริงๆเราไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็นอย่างนั้นแต่มันจำนนเห็นไหมมันไปนในเชิงปฏิเสธหรือว่ามันไปนในเชิงผลมากกว่าถึงบอกว่ามันมันมันมีความแตกต่างกันอยู่มันไม่เหมือนกัน อันนี้ส่วนอีกตัวอย่างหนึง่งเขาแย่ผมครับเลยต้องยิงวงเล็บนี่ก็จำเป็นเหมือนกันอย่าว่าแต่แย่เลยแม้แต่เขาเ้ายิงเรามาเนี่ยเราก็จำเป็นต้องยิงก็จาเป็นเหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าถามอาจมาถึงบอกไงว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ภูมิปัญญาหรือว่ามันอยู่ที่ภูมิธรรมของคนนั้นถ้าคนนั้นมีภูมิธรรมต่า ความจําเป็นเขามีง่ายเหลือเกินแต่ถ้าคนมีพู้วามาทำสูงเนี่ยความจําเป็นเขาน้อยลงไปเรื่อยๆมันจะไม่ไม่มีมากเหมือนกับอย่างเงี้ยเรื่องยิงเนี่ยบางคนเนี่ยแค่แย่เท่านี้ก็อาจจะมีปืนนี่อาจจะยิงเขาแล้วเห็นไหมพลวามาทำมันต่ําเนี่ยความจําเป็นมันง่ายเหลือเกินเพราะบอกไราอินทรีย์พร ะ, ะหรือว่าความอดทนต่อการมันน้อยแต่คนที่มีภูวามาทำสูงแล้วบางทีต่อให้โดนแย่ อย่าว่าแต่แย่ธรรมดาเลยจนถึงขั้นบางทีคนจะมาเบียดเบียนมาทําร้ายมารุนแรงบางครั้งนี่ยังไม่เพียงแต่ว่าไม่ไม่ทําร้ายตอบเท่านั้นนะยังจะเมตตากลับคืนให้อีกด้วยไม่ใช่ไปยิงหรือว่าไม่ใช่ไปทําร้ายนเนี่ยมันคือความแตกต่างกันในะอีกตัวอย่างหนึง่งใครๆก็ไม่เข้าใจผมมองผมในแง่ร้ายวงเล็บ เลยจำเป็นต้องลาออกจากที่ทำงานมงเล็บปิดจำเป็นไหมใครๆก็ไม่เข้าใจผมมองผมในแง่ร้ายความจำเป็นของเขาก็คือว่าเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าคนอื่นๆเนี่ยคิดร้ายกับเขาใช่ไหมหรือผู้อีกมุมนึงก็คือว่าจิตเขาเองเนี่ยเขาคิด คิดว่าคนอื่นเนี่ยคิดร้ายกับเขาหรือจิตเขาเองเนะ่ยเขาคิดร้ายเหมือนกันคิดว่าคนอื่นนะ่ยคิดร <c oughs> <c oughs> ้ายนะเพราะนั้นก็เลยมีความจําเป็นว่าว่าอยู่กับเขาไม่ได้นะว่ต้องอยู่ที่อื่นก็นั่นแหละมันก็เหมือนกับที่มาบอกไปแล้ววนะ่าอยู่ที่อินซิบาระอีกอีกตัวอย่างหนึ่งผมลือผมลดมือไม่ได้หรอกมันหิวจริงๆนะครับ วงเล็บเลยจำเป็นต้องกินวงเล็บปิดเออคนที่ไม่ฝึกคนที่ไม่ปฏิบัติใช่ไหมกินไม่มีมือมาอย่างเงี้ยแล้วจะมากินลดมือลงเหลือเอาสามมือไม่จุบจิบบางทีคนนั้นทำไม่ได้นะเขาก็บอกว่ามันหิวจริงๆอ่ะมันจำเป็นต้องกินถ้าไม่ไม่หิวก็ไม่จาเป็นต้องกินแต่่าถามจริงๆว่าหิวแล้วจำเป็นต้องกินจริงๆเหรอ ก็ไม่จาเป็นใช่ไหมบางทีหิวก็ไม่กินก็ได้ทำไมหิวก็ต้องกินเนี่ยแต่บอกแล้วว่าจริงๆมันอยู่ที่กิเลสอยากกิเลสมอยากจะกินเนี่ยบางทีบางครั้งเราก็เคยมีมาที่หิวอะหิวแล้วเราก็ไม่จะกินเนี่ยยิ่งถ้ามีอะไรเพลินเพิมีอะไรมาแทรกมีอะไรมาให้ตื่นเต้นลืมหิวไปเลยบางทีนั่นแหละเพราะนั้ น, ม, นมันยังไม่ใช่ตัวจำเป็นจริงๆ อ้อข้อควรสังเกตประการหนึ่งก็คือการหายามาพอกทาดมให้แก่ตัวเองซึ่งการใช้นั้นย่อมต้องมีความเป็นกลางไม่เข้าข้างตัวเองอย่างแท้จริงเราใช้เพราะสังขารนั้นลำบากสุดแสนเกินทนหรือว่าเราอนุโลมมันอย่างง่ายๆอยู่เสมอโดยไม่ค่อยได้พิจารณายับยั้งเท่าใดเรื่องนี้ จึงต้องเป็นผู้ที่เที่ยงธรรมต่อตัวเองอย่างสุดแสนมิฉนั้นก็จะเป็นจุดแห่งการจมปลักดุดบัวใต้ตมปัพป ร, ะประมะอีกจุดหนึ่งซึ่งจะให้รายละเอียดอีกครั้งในภาคที่สองอประเด็นนี้อาตมาชอบใช้สำนวนง่ายๆอาตมาใช้ว่าอย่ากโกหกตัวเองนะหรือว่าอย่าหลอกตัวเองถ้าใครไม่โกหกตัวเอง ใครไม่หลอกตัวเองแล้วเนี่ยคนนั้นจะรู้ว่าเออตอนนี้เราควรจะอนุโลมแค่ไหนตอนนี้เราควรที่จะไม่อนุโลมแค่ไหนนะแล้วคนนั้นเนี่ยจะตัดสินด้วยใจตัวเองอย่างที่ให้มันเป็นกลางที่สุดให้ยุติธรรม ท, ที่สุดสำหรับใจตัวของตัวเองโดยที่พยายามไม่มีอคติไม่มีความลำเอียงนะไม่ว่าลำเอียงสี่นะสอย่างนะ สำหรับตัวเองเนี่ยก็จะพยายามเลยซึ่งมันไม่ง่ายแล้วมันก็อยู่ที่ภูมิธรรมอย่างที่อามาบอกไปแล้วด้วยคนที่ยังมีกิเลสมากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าจะพยายามให้ตัวเองเป็นกลางยังไงซึ่งเขาก็ต้องพยายามแต่กลางยังไงของเขามันก็ต้องมีกิเลสซึ่งเขามีอยู่เนี่ยมันทําให้มันลำเอียงไปเองแต่ถึงขน้นเขาก็ต้องพยายามจะสู้กับกิเลสของเขาเพื่อที่จะแบบว่า ไม่ให้พ่อรักไม่ให้พ่อชังไม่ให้พ่อกลัวนะหรือว่าไม่ให้พ่อหลงทั้งสอย่างเนี้ยเข้ามาครอบงำอย่างน้อยเขาก็ต้องพยายามอย่างเงี้ยเพื่อให้ใจเขาเนี่ยเป็นกลางที่สุดเพื่อที่จะได้รู้ใจตัวเองชัดๆว่าเอออันนี้ควรจะอนุโลมไหมหรืออันนี้ไม่ควรอนุโลมอันนี้พูดเฉพาะว่าในส่วนที่เป็นตัวของตัวเองนะไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่น นะ น, นั้นเป็นหัวข้อว่าอ้างความจำเป็นส่วนนี้หัวข้อต่อไป 4.8.4 เปรียบเทียบการกระทำของผู้อื่นนี่ก็เข้าลักษณะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามไม่มีความเป็นตัวของตัวเองจึงกลายเป็นคนอ่อนแอไปโดยป ร, ริยายแต่เมื่ออ้างคนอื่นมาแก้ตัวเลยทำให้รู้สึกสบายใจนะตัวอย่างเช่น โกงเขาก็สบายใจวงเล็บเพราะปลอบใจว่าคนอื่นเขาก็โกงกันนะบงเล็บปิดคือพูดง่ายว่าที่ตัวเองกล้าโกงได้เนี่ยก็เพราะว่าเห็นคนอื่นเขาก็โกงเพราะฉะนั้นก็เลยเลยสามารถที่จะบอกได้ว่าเอ้าก็คนอื่นเขาก็โกงค่ะนีะ่มันก็เป็นการปลอบใจตัวเองโดยเอาไปเปรียบเทียบกับ พฤติกรรมของคนอื่นที่ทำเหมือนกับตัวเองทำนะแล้วก็เลยรู้สึกสบายใจขึ้น อ, อีกตัวอย่างหนึง่งโมโหก็สบายใจนะไม่มีฮิเลิวงเล็บถือว่าคนอื่นก็โมโหกันทั้งนั้นนะวงเล็บปิดคล้ายๆกันแหล ะ, อ, ะอีกตัวอย่างหนึง่งปฏิบัติธรรมไม่ต้องลดต้องละวงเล็บเพราะส่วนใหญ่เขาก็ทำกันแบบนั้นนะวงเล็บปิดนันก็คือกันนะนะไม่ได้แตกต่างกันมาก ส่วนอีกตัวอย่างหนึง่งบุ่นวายอยู่กับโลกก็สบายใจเพราะคนอื่นเขาก็เป็นแบบนี้กันวงเล็บเปิดก็แค่ปลอบใจตัวเองว่าเหมือนคนอื่นยังหาพ้นทุกจากการอยู่กับโลกไม่นะวงเล็บปิดซึ่งอันนี้ก็ก็ให้เห็นนะนะว่ า, าการเปรียบเทียบเนี่ย เปรียบเพื่อเปรียบเทียบเพื่อจริงๆจะว่าไปแล้วตัวเองก็รู้แหละว่าสมมุติว่าเรื่องนั้นไม่สมควรทำจริงๆตัวเองเนี่ยรู้อยู่แต่ต้องการปลอบใจตัวเองก็เลยยกตัวอย่างของคนอื่นที่ทำเหมือนกับตัวเราเนี่ยเพื่อจะเอามาเถียงก็ตามหรือเพื่อที่จะมากรบเกลื่อนไอ้ความรู้สึกของเราก็ตามที่เรารู้สึกว่าจริงๆมันก็ไม่ค่อยดีแต่ เราก็ยกพวกเนี้มาเปรียบเทียบเพื่อที่หาพวกนั่นเองเป็นการหาพวกให้อย่า ง, งน้อยเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่ฉันทำคนเดียวนะ mm. <c oughs> มีอีกตั้งหลายคนนะที่ทำมันก็ปลอบใจตัวเองว่าเออถ้าจะว่าเราเร็วเราก็ไม่ได่เร็วคนเดียวนะมีคนอื่นเร็วด้วยนะ mm. คนเราเนี่ยพอมัน ม, มีความรู้สึกว่ามีหมู่มีพวกขึ้นมาเนี่ยมันสบายใจ ไม่ว่าจะทําดีทําชั่วทําเลวอะไรก็แล้วแต่นะส่วนใหญ่ถ้ามีพวกขึ้นมาแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นแต่ถ้าคนเดียวเนี่ยบางทีแหมรู้สึกว่ามันอ่างว่างเหลือเกินแต่พอมีใครทําด้วยกับเราเรารู้สึกว่าอ่ามีพลังขึ้นทันทีเลยนะจิตมันมีพลังขึ้นนะเพราะว่ามันมันมันรวมไปทั้งมีความรู้สึกว่าถ้าคนอื่นเนี่ย เขาเห็นว่าผิดเหมือนกันเนี่ยเขาก็คงไม่ทําใช่ไหมแต่นี้เขาทําเหมือนเราเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราก็คงไม่คิดผิดหรอก <c oughs> อ่นะมันก็มีพวกมันทําให้จิตมันมีกําลังมีพลังขึ้นมาเนี่ยเลยชีวิตนี้ไม่มีการสรรสร้างอะไรที่ดีงามมีแต่ตามเขาตะพืชชอบแอ บ, บอยู่หลังคนอื่นตลอดเวลาเรียกว่าทําลายศักดิ์ศรี ความเป็นตัวของตัวเองจนสิ้นเกลี้ยงและที่จริงแม้จะอ้างคนอื่นเป็นแบบอย่างเราก็กรบเกลื่อนทุกข์ได้ในกรณีที่เหมือนเขาแต่ตัวของสิ่งที่กระทำไปมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ชัดๆ ถ, ถ้าเป็นสิ่งที่ดีเราทาเลียมแบบมันก็ดีสิเข้าใจไห มันไม่ใช่หรอกนะนี่แหละมันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งสองมุมอย่างเงี้ยซึ่งเราจะต้องเข้าใจนะ uh. ว่าไอลักษณะอันนี้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการเปรียบเทียบใช่ไหมเพราะนั้นเขาถึงมีข้อคําพูดเงที่บอกว่าเวลาเราเปรียบเทียบเนี่ยให้เราเปรียบเทียบกับคนที่สูงกว่าเราเราอย่าพยายามไปเปรียบเทียบกับคนที่ต่ํากว่าเราเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับคนที่สูงกว่าเราเนี่ย เราจะรู้สึกว่าตัวตัวเราเองต่ําลงมาเพราะฉะนั้นจะทำให้เราเนี่ยต้องขวนขวายต้องพยายามที่จะถีบตัวเองนี้ให้สูงขึ้นเพราะว่าเราก็อยากจะเทียบคนอื่นเขาเหมือนกันคนที่เขาสูงแล้วเพวันถ้าใครมีความรู้สึกอย่างนี้เขาเรียกว่าคนใยสูงส่วนใครเนี่ยชอบไปเปรียบกับคนที่ต่ํากว่ามันก็สบายใจใช่ไหมเปรียบกับคนที่เปรียบกับคนที่ต่ํากว่ามันสบายใจเปรียบกับคนที่สูงกว่ามันที่ห่อเหี่ยวเหมือนกัน อ่าใช่ไหมรู้สึกแหมต้อยต่ำเหลือเกินเร า, าแต่พอเปรียบกับคนที่ต่ํากว่าเราเรารู้สึกเราสูงขึ้นเยอะเลยแล้ว <c oughs> นะเรา ก, รกาา็รู้สึกแหมบางทีภาคภูมิใจรู้สึกแหมดีใจมันก็มีบุมดีเหมือนกันแต่มุมเสียก็คือมักจะทําให้คนนั้นเนี่ยหลงคิดว่าตัวเองเนี่ยดีแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยสูงแล้วแต่ที่ไหนได้พระโถก็ไปเปรียบกับเด็กม้างอย่างเงี้ยไปเปรียบกับ คนเลวคนพานหยับหยาบบากอย่างเงี้ยก็บอกว่าเราก็ดีกว่าเขาทแต่ความจริงนหละโอ้โหยังดีอยู่ในเกรดอะไรอะ่ะเกรดต่าๆอยู่เลยเพราะันพอคิดอย่างนี้แล้วเปรียบอย่างนี้แล้วเนี่ยเปรียบกับคนต่ากว่าคนนั้นมักจะไม่ค่อยพัฒนาตัวเองมักจะไม่ไม่พยายามขวนขวายที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นเพราะมักจะเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองดีพอสมควรแล้ว เพรอย่างนี้แหละมันเหมือนกับคนฝ่ายต่ํำลงไป น, น, งไงนะนส่วนใหญ่คนที่เขาชอบเอามาใช้คิดมองคนที่ต่ํากว่าเราเนี่ยเอาไว้แก้ลักษณะอาการที่บางทีคนนั้นนะ่ะทุกข์หรือว่าหดหูอยู่แล้วเข้าใจไหมหดหูอยู่แล้วพอไปมองดูสิว่าหน้าตาไม่หล่อเนี่ยหน้าตาไม่สวยเนี่ย ไปดูพวกคนที่เขาพิการสิไปดูที่คนที่เขาอับปรรกสิมันก็สบายใจขึ้นใช่ไหมว่าเออจริงๆเรายังหลอ่อเรายังสวยก็เขาต้องเยอะอ่ใช่ไหมนั่นแหละมันมันสำหรับพวกที่หทหูอยู่แล้วเขาก็อาจใช้วิธีนี้หรือบางทีใครทุกมาอาเงี้ยนะโอ้โหเจ็บปวดทรมานจากทางครอบครัวมัง่ง หรือว่ามีปัญหาลูกเต้าบ้างพ่อแม่บ้างเพื่อนฝูงบ้างหรือว่าแฟนหักอกมาบ้างอะไรก็ตามแต่บอกเราก็มกักจะชี้ให้ดูบอกนดูทิดูคนนู้นที่คนนู้นออกจากบ้านแตกเขแหลกขาดนะอกหักมาตั้งเป็นสิบครั้งแล้วอ่ะบองนี่เราดูซิยังครอบครัวก็ยังมีอยู่เลยยังเพิ่งอกหางแค่ครั้งสองครั้งเองโท้คนนั้นเขาทุกข์กว่าตั้งเยอะนะเนี่ย มันก็คายลงใช่ไหมซึ่งอันนี้เราก็เคยใช้กันอยู่บ้างกันนะในมุมนี้แต่มันใช้สำหรับคนที่จริงๆแล้วคือมันแย่มากจิตมันแย่มากถึงต้องใช้มุมนี้เพื่อที่จะให้กระเตื้องขึ้นนั่นเองคือจิตของคนที่หดหูหอเหี่ยวหรือว่าหมดกาลังใจมากๆบางทีเราก็ใช้มุมนี้เพื่อที่จะดึงขึ้นมาบ้างแต่สาหรับคนปกติธรรมดาแล้วเนี่ยที่ไม่ได้ สภาพจิตเลว้ายถึงขนาดนั้นตกต่ำถึงขนาดนั้นเนี่ยนะมันมีกำลังอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีกำลังเพราะฉะนั้นเขามักจะให้คิดเปรียบกับคนที่สูงกว่านี้เขามักจะให้ใช้ขนนั้นเพราะถ้าเปรียบกับคนที่สูงกว่าเนี่ยมันถึงจะพูดง่ายว่ามีมานะไม่ใช่ลักษณะโขดทูแล้วแต่อันนี้จะกลายเป็นลักษณะของมีมานะขึ้นมา ที่จะแบบว่ามันเหมือนกับแข็งดีเหมือนกับว่าต้องเอาดีอย่างคนที่เขาสูงกว่าเราให้ได้มันมันคนละลักษณะกันเข้าใจไหมเพราะฉะ น, นั้นอันเนี้ยถ้าเราจะไปใช้เนี่ยอย่างแรกที่บอกว่าคนโถดถูอยู่แล้วอา้าวเราอาจจะใช้มุมนั้นใช่ไหมแต่คนที่ปกติธรรมดาอยู่นี่เราอาจจะใช้อีกมุมหนึ่งที่พูดง่ายว่าเหมือนยอยั่วยุมานะเขาให้เกิด แข็งดีขึ้นมาเขาจะได้ขวนขวายขึ้นมาแต่ถ้าสมมุติใครใครใช้ไม่เป็นนะใครไม่รู้จักเลือกใช้บางทีคนนั้นเนี่ยก็อาจจะเนี่ยเอาไปใช้ปิดๆก็ได้ไอคนที่บางทีโหถูอยู่แล้วก็ยิ่งให้มันไปมองอะไรที่ให้มันอะไรอะหนักข้อยิงกับเดิมโหดหูยิงก็เดิมไอคนนั้นอาจจะตายเลยก็ได้นะอาจจะฆ่าตัวตายเลยก็ได้ ว่ามั น, ม, น, ม, นมันทนไม่ไหวอ่าเพราะอันนี้ก็ต้องก็ต้องรู้จักเหมือนกันรู้จักเลือกเหมือนกันแต่ส่วยนะบางคนมันมีมานะอยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณให้ไปใช้มองคนที่ต่ํากว่ามันก็ยิ่งเพิ่มมานะอัตราให้หนักข้อไปอีกยิ่งดูหมิ่นคนอื่นแล้วยิ่งหลงตัวเองหนักเข้าไปอีกกับเดิมอีกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันต้องรู้จักเลือกเอาไปใช้เหมือนกันว่าใช้อย่างไรแล้ว จะได้ผลดีที่สุดนะหัวข้อต่อไป 4.8.5 พัดเป็นวันอื่นเสียงพระพุทธพน์ยังคงก้องกังวานมาแต่ไกลภิกษุทั้งหลายสังขารย่อมมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังกิดให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด การผัดบันประกันพุ่งจึงไม่สามารถจะกระทำสิ่งใดได้สำเร็จเลยที่เห็นเห็นกันก็มักอ้างว่ายังเช้านักยังบ่ายนักแล้วก็เลยผัดไปเรื่อยคิดจะปฏิบัติธรรมโอ้ยยังหนุ่มไปยังไม่รู้โลกจะทำอะไรแต่ละอย่างก็ผัดไปเรื่อยเรยืเพราะกิเลสตันหาทำให้อ้างได้ทำให้อ้างได้หน้าตาเฉย ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าตัวยังชั่วยังเลวอยู่ก็ยังอ้างผัดผ่อนไปเรื่อยยังไม่ถึงเวลาบ้างตอนนี้ยังเลิกทําอย่างนี้ไม่ได้เพราะถ้าเลิกแล้วจะทําให้อดทาหน้าที่นี้เพราะฉะนั้นอย่า ก, กันนั้นเลยก็ผัด ก, ก็ผัดกับตัวเองไปก่อนหน้ตัวอย่างเช่นจะเลิกเข้าโรงหนังหน้วงเล็บขอดูเรื่องนี้ก่อนเธอหน้วงเล็บปิด คือพูดง่ายๆว่าผัดไปอยู่เรื่อยนะซึ่งลักษณะของคนอย่างนี้คือคนที่พูดง่ายๆว่าไม่ไม่มีสมถะหรือว่าไม่มีกําลังของจิตไม่มีกําลังของเจโตที่จะสร้างความเด็ดขาดหรือว่าตัดสินใจให้มันแบบว่าให้มันหนักแน่นให้มันมั่นคงมันพวกนี้มักจะเข้าไปในสายของพวกสายปัญญาสายที่ค่อนข้างที่จะ อนุโลมหรือว่าอ่อนข้อหรือว่าอะไรอ่ะกลัวกิเลสจะหมดเร็วนะมันจะผัดอยู่เรื่อยผัดอยู่เรื่อยน ะ, ะตัวอย่างต่อไปจะมองคนในแง่ดีวงเล็บขอด่าคนนี้ก่อนวงเล็บปิดเออมีอย่างนี้ด้วยนะด่าส่งท้ายแหละแล้วมันส่งท้ายจริงหรือเปล่าสิเรื่องของเรื่อง พอส่งท้ายเสร็จก็ข่าวต่อไปก็ส่งท้ายของส่งท้ายเพราะข่าวต่อไปก็ส่งท้ายของส่งท้ายของส่งท้ายเข้าไปอีก